ล้างหุ ل บิละ الشيطان ر ا الش ي ن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلا ع للظالمين ى ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah ัลเลาะห ل ه ะ ه له. ا ม์ดุัพถ้าตาร์ฎะัลละฮะม์ดุัดะรับิดัล و ะฮะม์ดุับะ ل ิดะัชฮัดัลลัะะะ م ะ ا ะะะะะะะะะ ا ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ لا ะ ل ะะะะ ا ะะะ ل ะะะะะะะะะะ ن ะะะะะะะะะ ا ะะะะะ ا ะ سلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. لقد قال ل ه تعالى في كتاب الكريم: ب ع د و ز بلا ل ش ي ط ا ن رثيم ف ل قطح العقبة وما أ د ر كما العقبة فقرقبه أو إتعام في يوم ذيمسقبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصبر وتوصوا بالرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. خب. พี่น้องที่รักครับศรัทธาชนที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันในช่วงของอัถาที่บายกาุลาในส่วนของสุรตุลเบลัดสุรตุลเบลัดเราอยู่ในช่วงอายะที่16บหกเอามิสกีนั้นยะมัตรบะบาที่พละบุรุษาระนางนาจาได้พูดถึงการเลือกหนทางเดินที่ยากลําบากสําหรับผู้ศรัทธานั่นคือหนทางเดินที่เราเลือกที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราเองก็เป็นคนที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็ตามถ้าสังเกตดูนะครับตั้งแต่การให้อาหารในวันแห่งการแร้งแขนก็แปลว่าเราก็เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันเยียีมังดามาตระบาัดเด็กกาพร้าเขาเดือดร้อนแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ไม่แปลกที่เราจะเดือดร้อนด้วยเอามิสกีนันจะมาตรบัดในการให้อาหารให้ความช่วยเหลือแก่คนขัดสนที่เปื่อนฝุน่นพี่น้องที่รักทครับ ที่คุยกันไว้ในครั้งก่อนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของคนขัดสนหรือว่ามิสกีนหรือว่าหนักกว่าคนขัดสนก็คือฟา ก, กีรคนที่ยากไร่คนที่ไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเลยจากที่อ บ, บูซาลินอวยบอกเราอันหูได้รายงานไว้จากท่านลบีมูสลลลอฮวาลลิสลามที่ท่านอบูซารินได้บอกไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ท่านลบีมูสลลลอฮวาลลิสลามได้สัลล่งใช้ฉันไว้เจ็ดอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือท่านลบีได้สั่งให้ท่านอ บ, บูซาลนั้นรักคน ยากจนซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะพิสูจน์อ ي م ا ن ได้เลยนะครับว่าเรามีความรักคนที่ต่ํำต้อยกว่าเราจริงหรือเปล่าเพราะว่ายิา่งถ้าเกิดอยู่ในช่วงขับขันแล้วเรายิ่งเห็นแก่ตัวนั่นก็แสดงเห็นถึงอ ي م ا ن ของเราที่ต่ําต้อยเละอเกินครับเราคุยกันต่อเลยนะครับผมฮะดิษบทต่อมาครับในซุนน์ตื้อมีดีครับ ท่านนบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุวาลลอฮิสสลามได้บอกไว้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวบทที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุวาลลอฮิสสลามนั้นส่งเสริมให้มุสลิมเราต้องรักคนที่ได้โอกาสต้องรักคนที่ยากไร้ต้องรักคนที่ขัด ส, สนด้วยท่านนบีบอกไว้นะครับว่าตอนที่คุณละหมาดอิดะสันไ ล, ลต่ตอนที่คุณละหมาดฝักลุลให้คุณขอดูอาบทนี้ด้วยอัลลอฮุมะ อิ่นี asaluka ฟิะล์ะล์ขะยิรัต์วัตรค์ะลุนคัรัตวัพบะละสะคิลวัยด้าะรัตะบีะดัดค์ฟิจณ์ะตันฟัคบุตนีี่ไละะขะร์มะฟตุลนี่นะสื่อหของสุนันทิมีดีครับผมสำนวนเนี่ยท่านบิชะคำวัสนไรต่เมื่อคุณได้ละหมาดไปแล้วเมื่อคุณละหมัดเสร็จแล้ว อิ ذا สั่งเละเต้ฟังกูลไม่คุณละมาสัล่านะ้คุณขอดวอดังนี้นะอัลลอฮุมะอินีอัสรุคัฟิลัยลขายรอดอัลลอฉันขอต่อพระองค์ความสามารถที่จะได้ทำสิ่งที่ดีงามพี่น้องครับการทำความดีมันดูเหมือนจะง่ายแต่ถ้าอัลลอ์ไม่ตักดีตไม่กำหนดให้เราทำมันได้เราก็ไม่สามารถทำมันได้คนบางคนอยากอา่านอัลกุรอานคนบางคนอยากท่องกุรอานทั้งเล่มคนบาคนอยากจะละลุามาสมาติจัยุด คนบางคนอยากที่จะละหมาดให้มากกว่า น, นี้คนบางคนอยากจะบริจาคคนบางคนอยากให้ความช่วยเหลือผู้อืน่นคนบางคนอยากที่จะสอนคนบางคนอยากทำงานศาสนาไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากทําความดีแล้วเขาจะได้ทําหรือเขาจะทํามันสําเร็จเพราะฉะนั้นหลังจากละหมาดเสร็จหลังจากทำอิบาร์ดาเสร็จอัลฮัมดุลิลาครับท่านอบีวสัสโลสลามบอกว่าให้ขอเราดีว่าอัลลอฮฺเมื่ออินิอัสอลุกกาเฟะละขายรัดวัตต์อัลมุกกรัด อยากขออะไรนะขอให้ได้ทําแต่สิ่งที่ดีๆไปเรื่อยๆ อ, อันที่2ขอให้เรานั้นสามารถละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ขอให้เรานั้นสามารถละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายได้เพราะเช่นเดียวกันครับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาให้หัวใจของเรานั้นมีแต่ความป่าเถืาในด้านที่ลบอะไรที่ไม่ดีเลยจะเราอยากได้มาเลยแล้ว เราก็มักจะคอยตามใจของเราทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะหลายเรื่องในชุดเราเรารู้ว่ามันไม่ดีถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็เผลอตัวเผลอใจบางทีแล้วก็วนเวียนหลูบอยู่ในสิ่งความผิดผิดแบบเดิมๆซ้ําแล้วซ้าอีกเชนนบีโมสลาลวารีสดมได้ย้ําให้เราขอจากพวกลอสบ า, ารา์นวาตาให้เรามีความสามารถที่จะตัดอัลมุกกะลาด มุขเลิศ ก, ก็คือให้เราสามารถละทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายได้วะฮุบเลมาซากีนแล้วขอให้ฉันมีความรักต่อคนยากจนเพราะาธรรมชาติของมนุษย์ครับผมธรรมชาติของมนุษย์เราจะรู้สึกรังเกียจความยากไร้ความยากจนความขัดสนถ้าไม่ถึงรังเกียจครับพื้นฐานมาจากความกลัว ธรรมชาติของเราเรากลัวความกลัวครับเรากลัวที่จะไม่มีอาหารเรากลัวที่จะไม่มีที่พักผ่อนเรากลัวที่จะไม่มีทรัพย์สินเรากลัวไม่ได้รับการยามรับเรากลัวสารพัดเหมือนกับที่พวกลอสซูบานคาตาได้บอกว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนไม่ด้วยกับการสูญเสียก็ดล้วกับความหวาดกลัว คนเรากลัวจนเมื่อกลัวจนครับเราก็เลยเกลียดเลยแล้วพอเราเจอคนจนบางครั้งเราก็พลอยเกียดเขาไปด้วยแล้วก็คอยแต่วัดระวงว่าเขาจะมาดีไหมเขาจะมาขออะไรเรารู้เปล่าเขาจะมาขอค ว, วามช่วยเหลือหรือเปล่าเขาจะมาขโมยเราหรือเปล่าธรรมชาติคนเราจริงจะมองคนที่มีทรัพย์สินมีอะไรมองไว้สูงเพราะตัวเองอยากเป็นในขณะที่มองคนที่ต่ำต้อยกระตุนก็จะมองแบบเหยียดหยามนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่มุสลิมเราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ไม่ใช่เป็นธรรมชาติาปุ๊บเราปล่อยไปตามนั้นไม่ใช่หมายความว่าคนบอกว่าเป็นธรรมชาติคนเราเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ปล่อยไปสิคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนไม่ใช่หมายความว่าหิวเมื่อะไหร่ก็ต้องกินไม่ใช่หมายความว่าถ้าเกิดว่าอยากมีอยากได้อะไรทุกอย่างก็ต้องอยากมีอยากได้อย่างนั้นไม่ใช่คนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาเพื่อทำตนให้ดีขึ้นเพื่อให้อวสุปานหัวตาหารักนั่นคือเป้าหมายของชีวิตนั่นคือ เป้าหมายชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นครับในเวลาแบบนี้อันที่3าขออะไรนะว่าฮุบบิลมาซากีนขอให้ผมขอให้ฉันนั้นได้รักคนยากจนคนขัดสนว่าอิระอัตเตบิอิบาดิกาฟิตเนตันฟักบิตนีอีเลก้ารมฟตูนแล้วเมื่ อ, อไรก็ตามที่พระ อ, องค์กําหนดให้เกิดความมุ่นวายกับบ่าวคนหนึ่งคนใดก็ตามทําให้เกิดพิจนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วมาจากพระลอสซูปหาหูอาตาลา พิจารณความวุ่นวายต่างๆก็เช่นเดียวกันครับพวกเราได้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยได้ทํามันพิจารณหลายๆอย่างมาจากน้ำมือของเราอีกมาจากน้ำมือเราเมื่อเรากระตุ้นให้เกิดขึ้นพวกเราก็กาหนดให้มันเกิดตามที่เราได้ขวนขวายเอาไว้ มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขาครับหลายครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าอะไรที่มันดีกับเราจริงๆหลายครั้งที่เราอยากได้สิ่งที่มันไม่ดีสำหรับเราหลายครั้งที่เราอยากได้สิ่งที่มันส่งผลเสียให้กับเราดัว บ, บทนี้ครับจึงเป็นดุอาที่เตือนสติมุสลิมด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวบทที่แสดงให้รู้ว่าหลังละบาตไม่ใช่ว่าไม่มีดุอาเลยนะหลังละบาดก็มีดุอาเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่ารูปแบบที่มีในปัจจุบันที่เป็นความเชื่อว่าหลังละหมาดฟัตดูเสร็จปุ๊บอิหมั่มต้องมายกมือนำมามุมต้องมาอ่านดุอาตามอันนี้ไม่มีแบบอย่างเลยทั้งทั้งที่ตัวบทเรื่องดุอามีเยอะแยะมากมายทั้งๆ้ที่ตัวบทเรื่องดุอามีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ไม่มีแม้แต่บทเดียวเลยชื่วหลังละหมาดฟัดดูเสร็จปุ๊บอิหมั่มยกมือขอดุอาแล้วมามุมยกมือดุอาตามโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าอิหมั่มขออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกมันก็คือไม่ถูก สิ่งที่ถูกมันก็คือถูกเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นเรายอมรับว่ามีตัวบทที่พูดถือว่าหลังละหมัดแล้วมีการขอดัวได้ทั้งละหมัดฟัดดูทั้งละหมัดซุนนะอย่างละหมัดฟัดดูเสร็จก็มีตัวบทที่ ข, ขอเราเลยครับอสักฟูน ล, ลอขอไปด่วยตอนน้อแล้วก็มีขออะไรมากมายแต่นั่นคือขอของใครของมันในสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วดูอัธิีฐานสุดคือดัวที่ขอตอนสุยูท นั่นคือดูอาที่ดีที่สุดครับผมก็อยากจะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับผมกลับมาที่ดูอาอีกครั้งนะครับในดวนนี้ขอขี่อย่างครับขอสี่อย่างอย่างแรกขอให้เราได้ทำความดี อย่างที่สองขอให้เราละทิ้งความชั่วอันที่สขอให้เรารักความคนยากจนอันที่4ี่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่พระวโรธจะให้ฟิตรณะเกิดขึ้นขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ผ่านผลจากบททดสอบของพระองค์ไปด้วยคือขอให้เรารอดพ้นจากฟิตรณะเหล่านั้นเพราะบางฟิตรณะพี่น้องไม่จําเป็นว่าพระวโรธต้องกําหนดให้เกิดกับเราโดยตรงบางทีมันเกิดกับคนใกล้ตัวเราแล้วมันส่งผลให้เราเสียคน จำเรื่องราวของท่านนบีมูซากับนนบีเคะดัได้ไหมครับเมื่ท่านนบีมูซ่ากับนบีเคะดัเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไปเจอเด็กน้อยท่านนบีเคะดัดเได้สังหารเด็กน้อยคนนั้นแล้วท่านนบีเคะดัได้มาอธิบายทีหลังว่าไงครับเด็กน้อยคขาเนี่ยพ่อแม่ของเขาเป็นคนดีถ้าเด็กน้อยตัวนี้โตมานอกจากเัวเองจะเป็นคนชั่วแล้วจะเป็นเหตุให้พ่อแม่ต้องลงนรกด้วย แต่นี่คือฟิตรณะที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้แต่มันเป็นฟิตรณะที่มันส่งผลไปให้กับคนใกล้ตัวพี่น้องระวังให้ดีพเพราะลอสุบฮานะฮุอาต้าเตือนว่าในคุรานครับว่าวตัตตะกูฟิตนตันและตุศิบันเนตันียนสารมูลมีกุมคอซะระวังให้ดีเลยนะถึงฟิตรณะความวุ่นวายที่มันส่งผลกับอีมานที่มันทําให้เสียผู้เสียคนระวังเลยนะที่มันจะไม่ประสบกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น หมายความว่าบางอย่างเราไม่ได้ทำบางอย่างเราไม่ได้เป็นต้นเหตุคนอื่นเป็นต้นเหตุแต่เมื่อคนอื่นโดนเมื่อพิตรนาต้องเกิดขึ้นมันลุกรามมาหาเราด้วยเมืด่ดูเอาบทนี้ครับเราไม่ได้ขอให้เราเจอฟิตรนาแล้วเราขอให้เรารับรจากฟิตรนะเพียงแต่ว่าถ้าฟิตรนามันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบกับเราเราขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของบุคคลที่สอบผ่านพิตรนเหล่านั้นฟิรนามีมากมายครับ บางทีฟิตรณะของคนโยกเขาที่ว่าจะมองสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ดีแล้วมาบังคับให้คนอื่นทําเหมือนกับเขาในเรื่องราวครับที่ท่านอับดุลเลาะห์สันนิลอัลลอฮได้กับเราฟังครับถึงเมงืองเมืองหนึ่งที่ว่าผู้คนเนี่ยบูชาเจาเบตรูปหนึ่งแล้วก็บังคับตั้งเป็นกฎไว้เลยว่าใครก็ตามผ่านไปผ่านมาในเมืองนี้จําเป็นจะต้องบวงสรวงเส้นเส้นสวงให้กับเจเบตรูปนี้ ด้วยมิชายคนหนึ่งครับได้เข้ามาในหมู่บ้านนี้พอเข้ามาปุ๊บพอจะเดินทางไปปุ๊บชาวเมืองก็บังคับบอก <c oughs> ไม่ได้นะคุณออกไปไม่ได้จนกว่าคุณจะส้นสวงให้กับเจเวีรูปนี้ก่อนคนคขาเลก็บอกผมทนไม่ได้ผมเป็นผู้ศรัทธาผมศรัทธาตอ่อเหรชาวเมืองก็บอกทำํำไปเถอะมันเป็นประเพณีนิยมอะไรก็ได้เอาแมลงวันสักตัวก็ได้ เอ า, มาแมลงวันไปบวงสวงไม่ต้องเป็นแพะไม่ต้องเป็นแกะไม่ต้องเป็นไก่ไม่ต้องเป็นเป็ดแค่แมลงวันมันไม่มีอะไรหรอกชายคนนั้นก็เออก็ออาาแค่แมลงวันนี่ก็เลยเส้นสวงเจเวดนั้นทำกุรอ่านเจเวดนั้นด้วยกับการเชื้อมแมลงวันหนึ่งตัวสังหารแมลงวันหนึ่งตัวชายคนนั้นก็รอดชาวเมืองก็ปล่อยเขาก็เดินทางไปต่อชีวิตมีความสุขดีด้าต่อไปชายอีกคนหนึ่งเข้ามาครับ เป็นผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันชาวเมืองเขบอกว่าคุณเข้ามาในเมืองของเรานี้แล้วคุณไปไหนไม่ได้แล้วจนกว่าคุณจะเส้นเสวงให้กับเจเวิตยุปี้ชายคขาตองบอกไงครับเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำชีวิตต่อหรอพระเจ้าของผมนายของผมเครือลับล้อผู้สร้างทุกสิง่งผู้ที่สร้างผมผู้ที่สร้างคุณผมไม่มีทางทำกุบาจให้กับเจเวิตเดชขาดชาวเมืองก็ได้ลงมือสังหารชายคนนั้น เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ยอมแม้แต่ที่จะสังเวยมแมลงวันซักตัวให้กับจวเจวิไม่ยอมทําชีวิตท่านอดีมูฮัมหมัด ส, สโลโลของอาหริอุสลัมบอกว่าไงครับชายคนแรกในะลงนลกลกรกในขณะที่ชายคนที่สองได้ขึ้นสวรรค์ลงนรกเพราะอะไรพี่น้องเพราะมาแมลงวันหนึ่งตัวคือมองมันไม่มีอะไรหรอกมันเล็ก ขึ้นส่วนพ่ออะไรครับขึ้นส่วนพ่อมแมลงวันหนึ่งตัวที่คิดว่ายังไงฉันก็ยอมไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าเป็นเรื่องที่ยอมได้ก็ยอมแต่มันยอมไม่ได้จริงๆก็ห้ามยอมเด็ดขาดจากเรื่องเนี้ยครับใครคือคนที่โดนฟิตรนณะหลักๆคือกลุ่มชนกลุ่มนั้นที่ว่าหัวใจเขาผูกพันกับจเวิตรูปนั้นมากเลืเกินจนที่ว่าไม่ยอมให้ใครผ่านไปผ่านมานอกจากจะต้องบวงสรวงให้กับจเวิตรุกนั้นพิตรณะหลักเดินที่กลุ่มชนนั้น แต่คนที่ผ่านไปผ่านมาก็พลอยฟ้าพลอยฝนโดนบททดสอบไปด้วยซึ่งผลก็คือชายสองคนคนแรกเจอบททดสอบนี้สอบไม่ผ่านมัฟตูนถูกฟิตนะส่วนคนที่สองนะครับเสียชีวิตแต่เขาหอยรุมมัฟตูนเขาไม่ได้ถูกฟิตนะแล้วไม่ได้เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่สินศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาล่า ในเรื่องเล่าเนี่ยครับพี่น้องในประวัติมันเป็นปรวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องเล่ปลาปาลังปราแล้วพี่น้องในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าย่งไรครับมันมีิกที่สําคัญมากมายหนึ่งในนั้นก็คือว่าหลายเรื่องในชีวิตเราแทบไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรที่มันดีสําหรับเราอะไรที่มันไม่ดีสําหรับเราพี่น้องเรามานั่งคิดดูชายคนแรกที่เขารอดไปเนี่ยเขาก็คงไม่ได้คิดอะไรมากถูกไหมครับเขาก็คงคิดว่าเออกระอดไป แ, แล้วก็มีเนื้ออะไรกับแขกบวงสวงอะไรเงี้ย ล, ล็อกก็ไม่ไหวเลยหรอก แล้วก็รอดตายด้วยฉันมีชีวิตยอยู่ต่อมาฉันได้มีความสุขเพิ่มอีกหลายปีกีป่ปีก็ไม่รู้อะเรดัซซีนินในขณะที่คนนึ่งพอยืนการปุ๊บเสียชีวิตเลยมุมมองของคนนอกอย่างเราครับท่านับบีหมฮัมมัดสุลาอัลลอฮ์อิสลามไม่รับรองว่าชายคนแรกลงนรกชายคนที่สองได้ขึ้นสวรรค์พี่น้องว่าพี่น้องจะมองมุมมองของเรื่องนี้ยังไงจะองมองตามที่ควรมองไหม หรือพี่น้องจะมองว่าเออถ้าเป็นฉันฉันก็คงเลือกทำกุรบาาดยกับแรลงวันสักตัวแล้วเรื่องที่น่าคิดนะวล้อเลาะเราล้อยะมาแต่ได้นะขอสาบาลต่อเลาหากไม่ใช่เพราะพระองค์ เราก็คงไม่ได้รับทางนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกเราก็คงไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดเราก็คงไม่รู้ว่าอะไรที่มันดีกับเราจริงๆแล้วเราก็คงจะไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรที่มันแยก่กับเราสุดๆถ้าไม่ใช่เพราะอิสลามถ้าไม่ใช่เพราะสาสนาถ้าไม่ใช่เพราะฮิดายะจากพรพลแล้วสุภานน ว, ว่าแต่อะไราครับเรายังไม่ได้ทักกายพี่น้องนะครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันเดิมเดิมแลว้วก็คุยยาวเลยนะพี่น้อง พี่มาแลครับสระมาก็วารคุณสรมวรมตุลอวาบรกาตุเชือกับนี่ไงบังโก้นะครับสระมาครับวคุณสรมวตุลอว่าบรักาตุคุณสะาครับมาชาลล์ครับสรมาระบุเลยนะครับว่าสระมีคุณมวตุล้อว่าารกาตุอาจารและพี่น้องทุกท่านมาชาลล์ครับก็วรีคุณสรมวตุลอว่าบรกาตุครเด็กชายบารกาตมาชาลล์ครับได้แฟนตัวยงได้แเนี่ย สลามาครับก็ไวรุมลสลามอัลตุลลอฮ์วะบรักกาตุครับพี่วรนณีนะครับพี่สาวสุดน่ารักอีกท่านหนึ่งนะครับสลามาก็ไวรุมลสลามอัลตุลลอฮ์วะบารักกาตุคุณจำรัครับสลามาพร้อมกับฟอนเนฟอนงามอีกแล้วนะครับก็ไวรุมลสลามตุลอวะบารักกาตุครับผมไอ้ดุนยาคือคู่สำหรับผู้ศรัทธาครับถ้าไอ้เมทัคไทยมาก็คงจะเหงาแปลกๆเช่นเดียวกันนะครับสลามาก็ไวรุมลสลามอัตุลอวะบรักกาตุครับผมคุณอหัวนะครับ สระ ม, ม, มาเอกุแมกก็ไหวคุณสระรับพื้นละว่าบาร์ออกแก่ตรงครับผมขอให้ชานี้เป็นเช้าที่ดีที่สุดอีกช้านึงสาหรับพวกเราทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะมีบททดสอบใดมีพิจารใดที่รอเราอยู่ก็ขอให้เราผ่านพ้ น, นไปได้โดยที่ไม่โดนทดสอบครับผมนะพี่น้องครับกลับมาพูดคุยในส่วนที่ว่าอย่ตีมันละขอมาครับเอามิสกีนั้นจะมาตรวจสอบคนขับรถที่เปื้อนฝุ่นพี่น้องครับฝุ่นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดนะพี่น้องฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดความเชื่อหรือการหล่อห ล, ลอมมืสังคมจะสอนอะไรก็ตามจะบอกผู้สูงฝุ่นเป็นสิ่งสงปกปรกหรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องเชื้อโลกมันมีทุกยีในร่างกายเราก็มีเชื้อโลกแบคทีเรียมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลตานได้บอกว่าผืนแผดินทั้งหมดนั้นละเลาะทำให้มันสะอาดแปลว่ามันสะอาด ถ้ามันจะสกปรกก็คือมันมีในยิสอู่มันมีสิ่งสกปรกอยู่เราเห็นม่นมีสิ่งสกปรกมันก็คือสกปรกหมายความว่าต่อให้อาหารตกพื้นถะตกพื้นปุ๊บเราก็รีบเอาขึ้นมาแล้วก็ปัดส่วนไหนที่พอกินได้ก็กินส่วนไหนที่กินไม่ได้ก็ไม่กินฝุ่นเราสามารถทํำตะยามุลได้ถ้าไม่มีน้ําเพราะฉะนั้นฝุ่นหรือว่าดินที่คนรังเกียจนะครับเราอย่าลืมนะพี่น้องคนที่รังเกียดดินคนที่รังเกียดฝุ่นเนี่ยเราเนี่ยถูกสร้างมาจากดินเนี่ยแหละถูกสร้างมาจากฝุ่นเนี่แหละ อาดัมมาจากคําว่าอาดีมุลอาต์ที่มาของชื่ออาดัมนะครับมันมีหลายทัศนะหนึ่งในทัศนะเหล่านั้นอาดัมหรืออาดีมุลอาตก็คือผืนผิวเปลือกโลกผืนนอกของโลกอะครับเปลือกโลกก็คือที่เราเหยียบอยู่นี่แหละดินกับฝุ่นที่เราเหยียบนี่แหละเราถูกสร้างมาจากสีแล้วจะไปลังเกียดดูถูกทําไมท่านอับดุลโมฮัมหมัดได้สั่งซอร์บะให้บางครั้งให้เดินเปลยเท้าบ้าง ครับศาสนิสามสอนอางนี้เลยคือไม่ใช่เดินแบบใส่รองเท้าประจำให้ถอดรองเท้าบ้างให้เท้าได้สัมผัสดินบ้างแน่นอนครับเราก็ต้องตรวจสอบว่าดีนั้นมีในยิสติสปาถ้าไม่มีให้ถือว่าสะอาดไปเลยแต่ถ้าอย่างพี่น้องไปตลาดอี่าง ไ, ไปตลาดเสดอย่างเห็นน้ำำําดําๆมันชัดเจนอยู่แล้วมันไม่สะอาดแน่นอนแต่ถ้าเข้าป่าเข้าดอยขึ้นไปไปดูแล้วดูปุ๊บมันมีใบไม้มีแต่อะไรปกติดูปลอดภัยอะไรลองเดินปตัวเท้าบ้าง เต็อนเปรยทาซะบ้างดิ้งหนันสาสัตว์พัสรับหรือคำพูดอาหรับเขาเวลาใครก็ตามที่ทําอะไรแล้วเหมือนกับว่าหยิบจับอะไรมันก็ได้แต่กําไรอะพี่น้องคนบางคนเหมือนทําอะไรก็รุ่งไปหมดเนี่ยภาษาอาหรับจะเรียกว่าตาริบัตยจดาหูมือของเขาเนี่ยเต็มไปได้วยฝุ่นฟังดูเหมือนความหมายไม่ดีแต่สำหรับภาษาอาหรับตาริบัตเจดาหูเป็นความหมายที่ดี ที่แสดงว่ามือของเขานั้นทําอะไรก็มีแต่สิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาเพราะฝุ่นเป็นพื้นฐานของชีวิตเช่นเดียวกับน้ําเช่นเดียวกับอะไรหลายๆอย่างคนเปื้อนฝุ่นนะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่น่าสงสารนะครับไม่ใช่คนที่น่าดูถูกคือโดยเพราะคนที่ขัดสนคนที่ยากจนถ้าเกิดพี่น้องเจอใครสามารถช่วยได้ก็ช่วยได้คนที่น่าอับไปยศหรือว่าคนที่เลวร้ายที่สุดที่เปื้อนฝุ่นเนี่ยไม่ใช่ในดุนยาพี่น้อง ในดุนยาคนเปื่อนฝุ่นมีหลายสถานะแต่ถ้าในอักิร้อนอูบิลลาฮิมินซาลิคอล็อกุมของพวกเราทุกคนให้รอดผลจากการต้องไปเปื่อนฝุ่นเมื่อถูกฝืนขึ้นชีพขึ้นมาในวันเกียร์มะ ว่าลัษณะตราก ا อวยข่าว ف إ ي ي ف ا جاء الصاحب يوم يفعل مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه و ب ن ي لكل من منهم يوم ينشئه يبني وجوده يوم ينصر ضاحكة مستبشرة و و ج و ه يومئذ عليها غ ب ر ترحقها قطر อุล أ إ ่าิกะฮุบุลควฟรัดุลฟัจร์โอลัซุบฮานุวะเต า, ลาละล่าติบายไว้นี่ร็วเบส า, านะครับว่าเมื่อเสียงกัมปานาตได้เกิดขึ้นก็คือเสียงเป่าซูรเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามวลาเรอาลัมแต่คือเป็นการเป่าครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพวกเราบอกว่าไงครับในวันนั้นเนี่ยมนุษย์จะหลบหนี จะเพ่นหนีเลยใช่คำว่าเพ่นหนีเลยเยามายอฟื้อรูเฟอรอนี่คือเพ่นหนีเลยเหมือนคนเจอสิงโตลเบเพ่นด้วยความกลัวครับเยาวมยอฟื้อรูมัรุมินอาคีในวันนั้นเนี่ยคนคนึคนนเขาจะหีจากพี่น้องของเขาหนีจากแม่หนีจากพ่อหนีจากคู่ครองหนีจากลูกหลานในดุนยานี่รักกันจะเป็นจะตายนะครับใช่ไหมครับเรารักคนใกล้ตัวเรารักญาติสนิทเรารัก่อแม่เรารักลูกหลานแล้ว ร, รักคู่ครองในวันนั้นเราจะหนีด้วยความกลัว กลัวว่าเขาจะมาขอให้เราช่วยหรือกลัวว่าเขาจะมาลำเลิกหรือกลัวว่าเขาจะมาโยนความผิดให้กับเรานาู้ดบิลลามินดะลิกยาฟิรุลีดายลีลกุริอีมีมเยอมายินยุคมีเพราะในวันนั้นคนแต่ละคนก็มีเรื่องที่เครียดกันอยู่ อยายะกราเหล่านี้เราจะคุยกันเมื่อถึงสุรอาบาซาอีกทินชาล์แล้วนะครับผมประเด็นที่เราจะคุยกันครับพวกเราได้บอกไว้ครับว่าในวันนั้นวันเกียร์มาเนี่ยผู้คนแบ่งได้เป็นสองกลุ่มจากลักษณะใบหน้าของเขาจากลักษณะใบหน้าจะมีคนอยู่สองประเภทในวันเกียร์มามีแค่สองประเภทประเภทแรกบูจุยบูจุวิเยอไมาริมมุสเฟราโดาฮักกตุมสับเชราใบหน้าที่อิ ม, เ อ, อมเอปกินง ยิ่มเอิบยิ้มแย้มดีใจมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเขาได้รับการแจ้งข่าวดีคุณรอดพ้นแล้วนะความเหนื่อยยากของคุณได้รับการตอบแทนแล้วนะดุนยาคุณเหนื่อยมากใช่ไหมโลกนี้คื อ, ก, อการตอบแทนอลัลละฮ์ตอบแทนคุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าไม่ต้องผิดหวังอะไรอีกแล้วยิ้มสิครับเหนื่อยมาตลอดชีวิตในดุนยาแต่หลังจากที่เสียชีวิตหลังจากที่อยู่ในห่องฝังศพดุนยาเป็นอดีตไปแล้ว พอไปอาเครอปุ๊บได้รับการแจ้งข่าวดีมีความสุขใบหน้าที่เบิกบานวูจูฮุยเอมะมุสละดอใรตตาบิเชยิ้มแย้มเรืองร่าได้รับการแจ้งข่าวดีว่าวูจูฮุยอมาอรินไอเล่ห์คอบารอแล้วก็อีกหลายใบหน้าที่เต็มเปื้อนไปด้วยฝุน่นแต่ว่าถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพทุรักทุเลอย่างที่เรารู้ในวันเกียร์มากครับ คนบางคนเนี่ยต้องใช้หน้าเดินแทนเทา้าไม่ได้ใช้เท้าเดินนะเอาหน้าเดินไถไปแล้วแต่ความชั่วแล้วแต่ความผิดแล้วแต่ว่าในดุนยาเนี่ยเลวร้ายอะไรมาอย่างไงบ้างโลกหน้าเจอตั้งแต่ฝื้นคืนชีพบางคนฟื้นคืนชีพไปก็าตาบอดมองอะไรไม่เห็นบางคนฟื้นคืนชีพไปก็มีรูปลักษที่อัปลักษณสุดๆบางคนก็ถูกตัดเสือเปลี่ยนเป็นหัวของลาเปลี่ยนเป็นหัวของสุนัข ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรไว้ในดุนยาเพราถ้าเราโลกหน้าปุ๊บใบหน้าเหล่านั้นม่นหมองครับมีฝุ่นเต็มเปื้อนฝุ่นตารฮกูฮาก็ตรมีแต่ความหม่นหมองที่ปกคลุมใบหน้าอูเลยกะฮุมุลกัฟารตุลฟัจระพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ชั่วชา้ากัฟารตุลฟัจระ สุภาพนบอครับเพราเราไม่ได้ใช้คาว่าอุลัยกามุลกาฟิรุนอัลฟาชิรุนแต่เช้คำว่ากาฟารกับฟาจะซึ่งเราจะคุยกันในที่อีกทีหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับผมผมเห็นที่รักผมทักทายมาเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบที่รักกันนะครับผมคุณหมออารครับสลายมาครับบอกส ล, อ, สลอัสลัยกมอาจารย์สุทธิรัต์ก็วัุสลายมอตุลลอฮ์วาากาต โดยบ า, าร์กอตูครับคุณมอสุิรั์เช่นเดียวกันครับผมพี่น้องคล้คลายๆกันมาครับเปอะไรพูดคุยกันมาเมื่อวานมีคําถาม ท, า ท, ที่ค้างไว้นะครับท่านใดที่ค้างไว้ขอพี่อีกทผมเผื่อผมมองข้ามคําถามเลยไปนะครับบางฟัดบาร์เบอรครับบอกว่าสะดุดครับไม่ชัดโออาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตแหละครับผมเดี๋ยวผมเช็คสัญญาณสัญญาณทางผมยงังยังยังขึ้น ขึ้นปกติอยู่นะครับผมบิตเลสเสียอัตราเฟรมอยู่ยที่30สิบบิตเลวิดีโอ 6.0 เมมีสะดุดบ้างสองที่อาจใช่ครับผมก็เคสครับเราจะผ่านประเ ม, มันไปด้วยกันอ่ะอย่างที่บอกนะครับพี่น้องมีอะไรเราเราเราคุยกันนะอยากสร้างบรรยากาศแบบเหมือนกับพูดมาพูดไปนะครับผม เมื่อบังโก้เขื่อนคุณนา น, นะครับถ้าที่บ้านเรามีผู้ติดเชื้อโควิดถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราแยกละหมาดกันได้ไหมครับต่างคนต่างละหมาดที่บ้านมันไม่ใช่สิ่งที่ซอบ้า ท, ทำหรอครับคือในช่วงของภัยพิบัติในช่วงของโรคระบาดนะครับขนาดยังไม่ติดซอบ้า ท, ท่านก็แยกกันละหมาดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นว่ามีผู้ที่ติดเชื้อแล้วแล้วเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือช่วๆมีคนติดหนึ่งคนที่เหลือไม่รู้ว่ามีใครติด อีกหรือเปล่าคือผลอาจาเป็นนิเทีฟอยู่ในกรณีนี้ครับก็สมควรที่จะแยกละหมาดสมควรที่จะแยกละหมาดมันแยกละหมาดกันบางคนอาจจะบอกเสียดายผลบุญชะมาอ่ะพี่น้องอย่าดูถูกพกื่อนล้อซูมาฮานอตาซิพี่น้องดูถูกความรักของลอได้ไงแหละพื่อนล้อเป็นผู้ทดสอบเราพื่อนลอก็เป็นผู้ตอบแทนเราแล้วพวืนะ่อนล้อเนี่ยบีบอกเราไม่ใช่หรอครับว่าใครก็ตามที่ ชอบทําอะไรมากๆอยากทําอะไรไ ม, มากๆแต่เขาไม่สามารถทํามันได้เอลล์จะถือว่าเขาได้ทํามันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจเราสุดหัวใจของเราอยากจะละหมาดแบบชิดๆกันแบบอยากละหมาดเป็นชมาอาให้ได้ผลบุญ27เท่าแต่เราทําไม่ได้เพราะมีอุปสรรคเพราะล้อไม่ใช่ผู้แรกที่รู้หรือว่าเรามีอุปสรรคเพรา ะ, รา ะ, ราะล้าเป็นผู้แรกที่รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็ถือว่าอดทนเพื่ออลล์อันนี้คืออีกหนึ่งความหมายที่ว่ารักกันเพื่ออลล์จากกันเพื่ออลล์ถูกไหมครับ รักกันกับเผื่อเลาะจากกันแล้วจากกันทำไมถึงแยกกันทําไมเราไม่ละหมาดร่วมกันเพราะท่านอับดุลเลาะห์มุสลิมก็ได้บอกเป็นแบบอย่างไว้ว่าในเรื่องถ้าเกิดเราเกิดเรื่องของโรคระบาดหรืออันตรายเนี่ยก็ต้องแยกกันนะต้องระวังต้องเซฟต้องป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะไปอ้างว่าจะมอบหมายต่อเลาะห์คุณต้องทําในส่วนของคุณให้ดีที่สุดก่อนเหมือนกับอยากจะมีทรัพย์สินเหมือนอยากจะมีฐานะคุณก็ต้องทํางานเหมือนกับซอบ้ามะคอเงินท่านอับดุลเลาะห์มุสลิม ท่านอบีก็ให้เขาไปซื้อขวานมาแล้วท่านอบีก็ช่วยประกอบขวานให้กับเขาแล้วก็สั่งให้เขาไปทำงานถึงเวลาเขาก็มีอาชีพเขาก็มีงานต่อเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่พยายามความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ความสำเร็จอยู่ที่พวกลอสุบฮานหัวจาลาส่วนความพยายามนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับผมเสรีไทยสุเหลืองแดงชัดเจนดีอัลฮัมุลล์ครับผมอเอ่อ ครับมีพี่น้องสละมานะครับผมคุณอับดุลลอตโตบายครับขอบคุณที่ทักทายมาสลามมาวั왈คุณสละมบตรลอว่าบารักาตู้ครับผมคุณวะสันรัตภูมิสงขาภาพเสียงชัดเจนอัลฮัมดุ伊拉อัลฮัมดุ伊拉ครับผมคุณบางดุลลอห์นะครับสุราชัดเจนครับเจซาคุมุลลอฮ์ค่ายรอนแล้วก็เธอคือชีวิตนะครับเธอคือลมหายใจนะครับผมสละมาก็วาลคุณสละมบุตลอว่าบารักาตู้นะครับผม คุณซาลิโตครับสลามมาครับวารีคุณสลามรอบตัวว่าบารักาตู้ครับผมทักทายกันมาครับทักทายกันมาพี่น้องครับเราสลามพี่น้องให้สลามผมผมก็ได้บารักะผมตอบสลามให้กับพี่น้องพี่น้องก็ได้บารักะเราเริ่มเช้าของเราอย่างมีบารากะมากมากเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมครับว่ามุสลิมเราเราต้องการแต่ความเจริญเราอยากทําเไรก็เจริญตื่นมาอยากได้ความเจริญเลยแน่นอนอับดุลอะเขาดให้กับเราแล้วว่าให้เรามีความเจริญสําหรับใครก็ตามที่ตื่นมาแต่เช้าตู แล้วเราก็ทักทายกันต่อให้มีความเจริญเลิกก็พูดคุยกันแล้วเราก็สร้างไบรรยกาศดีๆกันก็ขอร้องไม่แต่พวกเราทุกคนแล้วก็ให้เรามีความเจริญในเช้าวันนี้ของเรานะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งเช้าวันที่ดีต่อให้เราจะเจอบททดสอบใดก็ตามพี่น้องบ้านให้อาจจะถูกทดสอบด้วยกับการติดเชื้อโควิดก็ขอร้องรักษาให้ใหายไข้ ใ, ในเร็ววันถ้าเกิดถูกทดสอบคนใกล้ตัวเป็นหรือว่า แพร่ให้กับคนใกล้ตัวไปหรือไงก็ตามก็ขอให้อดทนแล้วก็หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่คือข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับผู้ไม่ใช่มุสลิมถ้าผู้ไม่ใช่มุสลิมโดนก็คือโดนก็จบก็เศร้าก็ร้องไห้ก็เสียใจก็มีความสุขก็อะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับมุสลิมเมื่อเราเจอสิ่งอะไรก็ตามทั้งที่เราชอบหรือไม่ชอบเราก็จะอดทนแล้วเราก็จะมุ่งหวังว่าอัลลอฮ์โปรดให้เราได้ผลบุญในสิ่งนี้ด้วย ครัพี่น้องฟังถูกแล้วครับทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบกับสิ่งที่เราชอบเราจะได้ผลบุญจากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหัวใจเรานั้นคิดถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องบางท่านครับถามผมมานะครับว่ารู้สึกว่าหัวใจไม่ผูกพันกับหัวล้อสุบฮานุหัวตาเลยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่ผูกพันกับหัวล้อมีเหตุผลเดียวเท่านั้นครับมีเหตุผลเดียวเท่นั้นที่เรารู้สึกว่าเราไม่ผูกพันกับอัลลอฮ์เราไม่ได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์ เหตุผลเดือวที่ว่าก็คือนั่นหมายความว่าเราทําตัวห่างเหินกับอ mm ัลลอฮ์เมื่ อ, อไร่ก็ตามที่เราทําตัวห่างเหินกับอะไรเราจะลืมสิ่งนั้นถูกไหมครับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชุดที่เราโฟกัสได้แค่ทีละเรื่อง mm hmm. เพราะว่าเก่าวในกลางว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างให้ใครมีหัวใจสองดวงคนทุกคนเราสร้างมามีหัวใจดวงเดียวถ้าเราโฟกัสเราเน้นกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเราจะหลุดโฟกัสจากเรื่องอื่นหมดเลย พี่น้องสังเกตไหมเวลาพี่น้องโฟกัสสมมติเรื่องงานหรือว่าเรื่องปัญหาที่พี่น้องกําลังเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามน่ะถ้าพี่น้องโฟกัส ก, กับเรื่องหนึ่งเรื่องในเนี่ยพี่น้องจะทําเรื่องนั้นได้ดีในขณะที่เรื่องอื่นๆมันจะแย่ลงถ้าโฟกัสกับการทํางานอย่างเดียวสัมพันธ์กับครอบครัวพี่น้องจะแย่ลงเวลาไปละหมาดเข้าเฝ้าแล้วพี่น้องก็จะลากเอางานไปในละหมาดด้วย เพราะอะไรครับพ่อคนเราสามารถโฟกัสได้แค่เรื่องทีละเรื่องต่อครั้งเราทําได้แค่ทีละเรื่องเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าทําไมเราห่างเหินจากอันล้อเราสูสีเราไม่ผูกพันกับอันล้อนั่นแปลว่าเราทําตัวตีตนออกห่างพเพระกันล้อตัางหากผลลัพธ์เมื่ออยู่ในใจเราแล้ ว, ลวดุลยาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปที่ไหนเราก็แบกดุนยาไปด้วยพอจะละหมาดดุลยาก็มากับเราด้วย พอจะถือสิ่งดุนยาก็มากับเราด้วยกำลังจะแก้ละสิ่งอดุนยาก็อยู่กับเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสกับอะไรอพี่น้องเราจะหลุดโฟกัสจากส่วนอื่นเพราะนั้นใครที่บอกว่าเขาละหมาดไม่มีโฟกัสไม่มีสมาธินั่นแปลว่าใจของเราไม่ได้อยู่กับการละหมาดเราเอาใจไปให้กับสิ่งอื่นเรียบร้อยแล้วและสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ผู้ล้อด้วยเพราะถ้าเป็นผู้ล้อ นั่นคือการโฟกัสที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดแล้ะละหมาดเรามีสมาธิแน่นอนครับก็ขอพรเราสุบฮานอุหัวจลาให้ความแน่ใจกับพวกเราแล้วก็อย่าให้เราหลุดโฟกัสนานเกินไปนะครับในการเป็นบ่าวของพระองค์นะครับคุณนัตนาสลามมาครับวาริคุสลาห์วารัตุลอวะบรารอกาตุครับผมอ่ะเราไปต่อเราคุยกันต่ อ, อยั้นเราขอร้องจากพระราสุบฮานอุหัวจลาให้เรารอดพ้นจากกัน เป็นบุคคลเปื้อนฝุ่นในโลกหนาโลกนี้ถ้าเราใช้เป็นก็ก็ระดับนแล้ก็เป็นตามที่เป็นแต่ที่เราขอสุดๆก็คือยาละโลกหน้าอย่าให้ฉันเปื้อนฝุ่นเลย พ่อพระค้าวันอัลกุราอานว ah um ่ า, Allah, ว า, นนวาชูวชิว ย, วย์า ย, าคคนนา ย, ยามาดินเลขะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะาะะะะะะะะะะะะะะะะอะะะะะะะะะะระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะยะาะะะฉะนะ้ะะะะอยะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะวะะะะะะะะะะะะาะะะะะะะะะะะนะะนะะเะืะอนฝุ่นได้ก็เะะะะะะะะะะะะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะ่าได้ไปเปื้อนฝุ่น อีกเลยนะครับผมอายะต่อมาครับพี่น้องประเด็นสาคัญละประเด็นสาคัญละอายะต่อมาวกเรากกล่าวว่าไงครับถึงตรงนี้พี่น้องหลังจากที่พูัสุบฮานวใาลาบอกว่าไงครับเขาไม่ได้เลือกคนทางที่ยากลำบากเขาคือใครผู้ไปเสียศรัทธา ขนทางที่ยากลำบากหรือว่าการปีนชัน้นบนผาคืออะไรการให้อาหารในวันแห่งความหิวโหยการช่วยเหลือเด็กกำพา้าการช่วยเหลือผู้ขัดสน3อย่างนี้เป็นคุณลักษณะที่คนทั้งโลกยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับแต่ถือว่าเขาเป็นคนดีหรือยัง คนที่ให้ความช่วยเหลือคนยากจนในวันแห่งความหิวโหยคนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนที่ให้ความช่วยเหลือคนขัดสนถือว่าเขาเป็นคนดีสำหรับพวกเราซุบฮานหัวตาลาแล้วหรื อ, อยังคําตอบไม่ครับคําตอบไม่แน่นอนสำหรับพวกเราเรายอมรับเขาแล้วว่าเขาเป็นคนดี ถูกไหมครับเวลาพี่น้องเจอต่อให้ไม่ใช่มุสลิมต่อให้เป็นคนนับถือศาสนาหรือไม่ทิพนับถือศาสนาอะไรก็ตามถ้าเราพบว่าเขาให้อาหารกับคนที่หิวโหยถ้าเราพบว่าเขาให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าถ้าเราพบว่าเขาให้ความช่วยเหลือคนขัดสนโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนใจของเรายอมรับเขาแล้วว่าเขาเป็นคนดีแต่ไม่ใช่สําหรับผู้ละซุบฮานะฮูตะอาลาเพราะฉะนั้นไมเซตของมุสลิมเราต้องชัดเจนนะ สำหรับเราในดุนยาเขาเป็นคนดีแต่ว่าเขายังไม่ใช่คนดีที่แท้จริงสำหรับโพลัสุบฮาห์นหัวตาลาเพราะเขาขาดเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดไปการให้ความเฉยเหลือเป็นผลบุญที่มหาศาลแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมันมีเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดอยู่ซุ่มมาแกนามินาลีนาอามมนู หลังจากนั้นผูวว้ราองช้คว่าหลังจากนั้นเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธามาก่อนหลังจากนั้นเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่าที่พูดมาสมกลุ่มที่ทําความดีเนี่ยจะยังไม่ใช่คนที่เลือก การปีนบนชั้เงื่อนผาที่อัลลอฮ์รักจนกว่าเขาจะต้องมีอีกสามเงื่อนไขาตามมาคําถามเป็นคําถามที่ผมถูกถามบ่อยมากอาจารย์อย่างคนดีที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างคนนั้นเขาเป็นคนดีคนนี้ให้ความช่วยเหลือคนนั้นใหความช่วเหลือล่ะเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยคําตอบก็คือทุกความดีพวกเราตอบแทนแน่นอนหากไม่ใช่มุสลิมทุกความดีที่ทําเขาจะได้รับการตอบแทนใน d u n y าเนี่แหละ ซึ่งมันก็คือเป้าหมายของเขาถูกไหมครับเพราะคนที่ไม่เชื่อเล่าเขาย่อมไม่หวังอยากได้สิ่งดีางามในโลกแน่เขาก็หวังแค่ว่าชีวิตให้มีความสุขให้ได้และครับความช่วเหลือคนอื่นให้อยู่อย่างพอเพียงให้มีและเล่าก็ใช่ความไม่ตายให้ความช่วเหลือเขาสังเกตดูอย่างที่ผมย้ําเป็นประจำคนใจบูญคนใจดีคนกรตันอยู่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ว่าอายุยืนคนมีสุขภาพที่ดีคนที่ว่าดูแล้วน่าอิจฉา พวกเราให้เขาทั้งแต่ดุนยาแต่ย้ำครับว่าคนดีสำหรับผู้รัสซุบะฮานะหัวตาลาต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญกว่านั้นมาก่อนนั่นก็คือเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วสมนุนกุรานใช้สมนุนชัดเจนแล้วก็งดงามมากครับซุมมาแก่น่ะมีนัลละจีน่อามานูแล้วเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้ว คือจริงๆต้องมานั่งแยกเป็นคำเป็นคำเพราะแต่ละคำมีฮิกมาอยู่ในนั้นแต่นี้ขอแปลไปก่อนขอแปลไปก่อนพวกเราบอกว่าหลังจากที่ทำความดีสามอย่างนะหลังจากนั้นเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่ศรัทธาแล้วแล้วก็ต้องมีการสั่งเสียกันและกันให้มีความอดทนแล้วก็ต้องมีการสั่งเสียกันและกันให้มีความเมตตากันนี่คือ3าเงื่อนไข ที่จะทำให้ความดีทุกอย่างที่ทํามีคุณค่าในสายตาของล้อนวันเกียมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะเป็นคนดีมาจากไหนจะทำความดีมากมายมหาศาลแค่ไหนคนทั้งโลกจะยกย่องจะให้โล่จะประกาศเกียรติบัตรจะอะไรก็าตามแต่สำหรับพวกล้สซุปฮาหหัวตาอ แ, แล้วพวกเราจะยังไม่ใช่คนดีจนกว่าเราจะต้องมีสามอย่างนี้ ก่อนเพราะนั้นมุส林ถูกสอนมาให้เรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้องให้ชัดเจนสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งก็คือต้องศรัทธาต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าก่อนเพราะนั่นคือสูงสุดของการทําความดีเพราะนั่นคือการรู้คุณของบุคคลที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือผู้ที่สร้างเรามา นั่นคือผู้ให้ริสกีแก่เรานั่นคือผู้ที่ให้อาหารนั่นคือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเติมของเราแล้วเับปฏิเสธเพราะองค์เราจะกลายเป็นคนดีได้อย่างไงถูกไหมครับเราจะมีหน้าเรียกว่าตนเองเป็นคนดีหรือจะเรียกว่าใครเป็นคนดีได้อย่างไรในเมื่อเขาเนรคุณเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับกับบุคคลที่มีบุญคุณกับเขามากที่สุดเป็นไปไม่ได้พี่น้องถ้าพี่น้องเจอใครสักคนถึงเวลาชอบแจกอาหารคนอื่นชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่น แต่พอกลับบ้านไปปุ๊บทุบตีพ่อแม่พี่น้องกล้าพูดไหมว่าเขาเป็นคนดีเราอาจจะพูดเพราะเราได้รับข่าวจากเขาแนละ้วบอกเขาก็เป็นคนดีนะแต่อเรื่องนั้นก็ช่างเขาจา่เดีก็ตามที่เขาทําดีกับฉันฉันถือว่าเขาเป็นคนดีก่อนอันนี้คือความการรับรู้ของมนุษย์ที่มันแคบแล้วที่มันมีความใบแอร์ซึ่งมันมีอคติใครทําดีกับฉันฉันมองเขาดีไว้ก่อนใครทําไม่ดีกับฉันฉันก็มองว่าเขาช่วยไว้ก่อนจริงๆเขาอาจจะเป็นคนดี แต่เรามองว่าเขาเชื่อหรือจริงๆก็จะเป็นคนชัว่วแต่เรามองว่าเขาดีพี่น้องครับเรื่องของความดีความชื่วคนดีคนชั่วเนี่ยถ้าคุยกับคนที่ไม่ใช่ศาสนามันไม่มีทางจบเพราะเขาบอกว่าแต่ละคนมองมเหมือนกันแต่คนนี้มองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีคนนี้มองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะตกลงกันยังไงคือถ้าไม่มีมาตรฐานร่วมคุยกันไม่จบเพราะฉะนั้นถ้ากิดพี่น้องไปคุยกับอาจจะเป็นคนละต่างศาสนาหรือคนละความเชื่อหรือว่า บุคคลที่ว่าไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันนะครับคุยเรื่องคนดีความชื่วมันไม่มีทางจบเพราะแต่ละคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันว่าคนดีเป็นอย่างไรคนชื่วเป็นอย่างไรแต่สําหรับพุทธิสิมเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้แคร์ว่าใครจะมองว่าคนดีเป็นอย่างไรคนชั่วเป็นอย่างไรเราแคร์แต่ว่าพวกลัทธิพานุวัตรามองว่าคนดีเป็นอย่างไรต่างหากถูกไหมครับ หลายครั้งที่เราแคร์ขี้ปากชาวบ้านเยอะเกินไปเราแคร์สายตายคนอื่นมากเกินไปเราแคร์คาพูดอื่นมากเกินไปแล้วเมื่อเราไปโฟกัสกับตรงนั้นก็อย่างที่ผมบอกพี่น้องก็จะดูดโฟกัสที่มีต่อเราเราก็จะแคร์อัลลอฮ์น้อยลงให้ความสําคัญกับพวกอลัลลอฮ์น้อยลงเแล้วผลสุดท้ายละหมาดเราก็ไม่มีสมาธิทําอิบาระอามันก็ไม่มีสมาธิ เราก็จะทําแต่ความดีที่มันได้หน้าทําแต่ความดีที่มีคนชมทําแต่ความดีที่ว่ามีคนมายกย่องแล้วการงานของเราก็ไรลคาสําหรับโพรัสุบหาห์หนุวัตตาลาเพราะนั้นเงื่อนไขของการเป็นคนดีของโพรัสุบหาห์หนุวัตตาละที่กล่าวไว้สวดตุบลัตีสข้อข้อแรกคุณต้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วต้องศรัทธาแล้ว แล้วทําความดีนั่นแหละความดีของคุณถือว่าเป็นความดีคุณถือว่าเป็นคนดีนะที่เาลาเรื่องขข้อที่สองครับต้องมีการเตือนกันบ่อยๆต้องมีการสั่งเสียกันให้ต้องมีความอดทนไม่ใช่ว่าเราทําดีแค่ตัวของเราใครทําชั่วอะไรก็ช่างไปใครพลาดอะไระก็พลาดไปต้องมีความผหนอกเห็นใจเราสังคมปัจจุบนันคําพูดที่ออกห่างไกลแซมมากที่สุดคืออะไรครับยุ่งอะไร มาเกี่ยวอะไรด้วยคุณเป็นใครมาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะคําคนที่พูดประโยคเนี่ยเป็นคนที่มีคําพูดที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นพี่น้องไงคือถ้ากาเฟตพูดไม่แปลกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มุสลิมพูดเนี่ยแปลกแล้วเพราะการเตือนกันการให้ความช่วยเหลือกันการห้ามปามจากความชั่วเป็นสิทธิพื้นฐานของมุสลิมสิทธิพื้นฐานเลยคือบางทีเราก็เสพประชาธิปไตยจนสุดโตง เราห่วงแต่สิทธิของตัวเองแต่เรามองข้ามหน้าที่ของเราคือประชาชิที่ประยอ่พี่น้องมันมีทั้งสิทธิกับหน้าที่นะสิทธิคือสิ่งที่เราควรจะได้หน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำพี่น้องไปดูเถอะไอ้พวกชอบเรียกลองสิทธิเนี่ยส่วนใหญ่หน้าที่ตัวเองออกองับบุคอลกับตัวเองจะเอาให้ดีที่สุดแต่พอตัวเองต้องทำให้กับคนอื่นไม่เป็นไรหยืนเยว น, ย, วนยอมความกันไปเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัว ซึ่งมุสลิมบางคนก็เป็นแบบเนี้ยบางทีพวกเราพอทำอะไรปุ๊บพอมีคนมาเตือนปุ๊บรับการเตือนไม่ได้รังเกยียจการเตือนโกรธใครมาเตือนปุ๊บโกรธมันเป็นพื้นฐานสิทธิพื้นฐานของมุสลิมที่จะต้องได้รับการตักเตือนเพราะนั้นพี่น้องต้องเปิดใจรับการตักเตือนด้วยไม่ใช่พอมีใครเตือนปุ๊บจะโกรธจะเกลียดจะด่าว่าสร้างตนเป็นศัตรูกับเขาอย่างเดียวซึ่ง น้องสุบิานายมุรายกทุกครั้งที่ผมเจอก็จะรู้สึกแย่นะครับเวลาที่ว่ามีการเตือนกันดีๆแล้วก็ไม่ซีงกับมาด่าว่ากันหรือว่ากับมองกันล้ายๆหรือมองกันแย่ๆเนี่ยก็ขอรับผู้มกครองพวกเราครับผมในเรื่องเงื่อนไขทั้งสามข้อนีครับพี่น้องเราคงไม่สามารถจะพูดตอนนี้ได้นะครับเพราะเวลาก็ขึ้นแต่เวลาและเนื้อหาสามข้อนี้อยากจะชวนคุยกับพี่น้องอีกสักหน่อยประเด็นครับผมประเด็นประเด็นสําคัญ ก่อนที่เราจะมองว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีให้ดูก่อนว่าเรามีสามข้อนี้ไหมเราอยู่ในหนึ่งของผู้ที่ศรัทธาต่อร้อนแล้วจริงๆใช่ไหมแล้วเราเน้นคอยตักเตือนกันในเรื่องของความอดทนแล้วก็ตักเตือนกันให้มีความเมตตาระหว่างกันและกันแ ล, นแล้วใช่หรือไม่ถ้าพี่น้องมีสาข้อครับทุกอย่างที่ทําเป็นความดีที่เอาล้อรับแน่นอนครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับ ขอเสริสริญขอขอบคุณโพวกลอสซูบานัวตาลาที่ทําให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสมาพูดคุยกันมาพบเจอมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้พวกพวกลอสซูบานัวตาลาด้วยกันก็ขอให้พวกเรานั้นมีเจตนาที่บริสุทธิ์มีเจตนาที่ดีอย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีสำหรับพวกเราขอให้เราเห็นส <ędzie> ิ่งที Europeans, ่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดขอให้เราออกหายจากมันขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกจริงๆขอให้เรามีความสามารถที่จะทำมันให้เรารักที่จะทำมันให้เรารักที่เป็นบาทที่ดีของลอให้เรารักบ่าวที่พวองลนั้นรักเขา ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنا أذابنا رسل الله لا سيينا و ح أ ق و ل ق و لهذا ي و ا ل س ق ر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ما سقرونه والقافر ر ح م سبحانك الله ما بحمدك ا ش ه د و ن لا إله إلا أنت أستغفرك و ا ت و ب إليك. พบกันพรุ่งนี้เช้าครับกับครอบครัวสุขสันต์ครับ السلام عليكم الله. وبركاته خب.